เมื่อคืนหนาวสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนี่หนุนม่นมๆสาวๆนี่พอดีไม่หนาวสบายๆแต่สลับคนมีอายุหน่อยกันหนาวนะหนาวนี่ปกติน้อยนะที่เราจะมาห่มผ้าชันจังหันไปเนี่ยเอุดูมันจะเป็นครั้งแรกโดยซ้ำไปเนี่ยเนี่ยห่มผ้าห่มชันจังหันเนี่ย มันก็ไม่หนาวเท่าไหร่เอาเอาออกก็ได้เมื่อคืนกลับจากนี้ไปทำภาวนาอะไรกันไหมฮะเราเห็นว่าเขาไปเหน็ดเหนื่อยทั้งวันเราก็ไม่อยากพาอยู่ดึกมาตั้งแต่เช้ามืดใช่ไหมออกออกมาเท่าไหร่ออกตีสี่ครึ่งไปวัดพรมพิหารไปวัดสงเปลือยไปวัดอาจารย์สงบแล้วก็มาถึงนี้ก็มืด เมื่อวานเนี่เราจะพายูุดึกก็โอ้ยเขาเข้าไปทั้งวันมาแล้วเขาพูดต่อมาให้ฟังบางคนก็ทั้งฟังทั้งหลับใช่ไหมพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นึกถึงตอนนี้ไม่ได้นึกถึงไม่ได้สักเรื่องเลยใช่ไหมฮะฮะพูดถึงอะไรบ้างเมื่อวานเนี่ยพอจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมมาตรงนี้นี่มาทําเต่าตรงนี้นี่ เอา่าได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ประสบภาวะแวดล้อมได้เห็นบรรยากาศในวดัดที่พักกติพักรวมสลาโชคดีนะมีที่พักสลาเนี่ยเราเพิ่งมาป ร, ปรับปรุงมาปีสองปีเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีที่พักหรอกมาทุกคนก็ต้องเอาปลดเอาเต้นเอาอะไรมาเองชอบตรงไหนก็กางเอาเลยถ้าสมัครมาอย่างงั้นก็ได้ถ้าไม่สมัครมายัางงั้นก็ไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่เพิ่งมานะขอนแก่นเนี่ยพุทธศาสตร์สัญจรขอนแก่นมาตั้งแต่ปีแรกๆเลยแหละวันนี้มาทุกปีมาทีสองวันสามวันห้าวันสองวันสามวันห้าวันพุทธศาสตร์สัญจรตั้งแต่สมัยไอสว่างจิตเขายังทํางานอยู่ทํางานอยู่หมอขอนเนี่ยเขาพามามาทีหลาเยอะเลยนะบางทีมามากันมากเราก็มาอยู่หลายวันสองวันเนี่ยเราก็ เราก็รับหน้าตลอดไม่ไหวเรากหา็หาพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงก็คือระดับนู่นข้าราชการบํานาญนั่นนะเป็นพี่เลี้ยงที่เขาไปฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยเป็นพวกรูพวกอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมาพาคนนั้นมามาเป็นพี่เลี้ยงของคนนี้มีอยู่คราวหนึ่งพี่เลี้ยงเราพาเดินเท้าเปล่าขึ้นเขาลองดูด <laughs> ิ ปะเดินเท้าเปล่าขึ้นเขาเลยนะเดินขึ้นเดินลงเดินเป็นการเดินเท้ดงดูปา่าดูเขาดูอะไรไปเรืเอ่อยนะกลุ่มนั้นนี่หลังจากกลับไปแล้วมิดเลยไม่พูดถึงอีกเลยด <c oughs> เข็ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลองดูสิถอดรองเท้าเดินเราก็เห็นเขาเดินโอ oh, ้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเราเนี่เอาคักวันนี้ว่าเดินก็ค่อยๆเหมือนกับแมวเดินะ อยู่ตรงนี้เกี่ยวข้องมาตลอดแ่ะกับนักเรียนนักศึกษาบางทีอย่างคราวที่แล้วเนี่ยช่องระหว่างบ อ, อกภรษาพอดีทางธรรมศาสตร์เขาขอมาอยู่สักเจ็ดวันเราปีก่อ น, นันเราให้อยู่มันลำบากมากพระเราก็เยอะด้วยคนในครัวเราก็น้อยพระเราก็เยอะ เฉพาะตอนรับเลี้ยงรับพระเรานี่ก็แทบจะไม่หวัดไม่ไหวที่นักศึกษามาอีกสามสิบสี่สิบคนเนี่ยบางทีก็หกสิบคนเนี่ยมันก็ไม่ไหวปีปีที่แล้วเนี่ยเราก็เล ย, เ ร, เ, ลยเราก็เลยไม่ไ ม, ไม่รับปีก่อนเขาเ ข, เ ข, เ ข, เขาเม่อยู่เจ็ดวันเจ็ดวันบางทีมันอยู่อยู่นานเกินไปแล้วมันไม่มันไม่อิสระ มันนี่เหมือนพระเราอยู่เป็นกุฏิเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังเป็นหลังมันเป็นเอกเทศอันนี้เรามาอยู่กันหมู่มากอยู่กันหมู่มากมันจะต้องมีพี่เลี้ยงจัดเข้าทุกระยะทุกเวลาเป็นโปรแกรมเลยชั่วโมงนี้มีกิจกรรมนี้ชั่วโมงนี้อันนี้ชั่วโมงนี้อันนี้ชั่วโมงนี้พาเดินชั่วโมงนี้พานั่งชั่วโมงนี้อบรม อ, อทีนี้เราก็เห็นว่ามันเกินมันมันเกินไปสำหรับกรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านสอนสองคำพุทโธพุทโธ เอาไปทำทั้งปีทั้งชาตินะเอาไปทำทำแล้วเกิดอะไรทำแล้วได้อะไรไม่ต้องถามให้ <c oughs> ไปตั้งตั้งใจทำอย่างเดียวการตั้งใจทำกับผลที่มันจะพึงเกิ ด, กดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บจะเกิดขึ้นได้การที่ท่านเอาประสบการณ์มาเล่ามาอะไรต่ออะไรให้เราฟังอ่าไม่ใช่เราฟังแล้วเราจะได้เลยฟังแท่ว่าสุตจินตะ ฟังแล้วต้องไปนึกไปคิดไปใคร่ครวนตามอีกสุตตามมยะปัญญาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ถือว่าเป็นสุตตะเสร็จแล้วค่อยจะลงตัวเอาไปใคร่ครวนเอาไปตรายตรองเพื่อจะให้เห็นเหตุเห็ น, ห น, หนผลที่แท้จริงเพื่อที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติตามได้จริงมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปกินตะไปนึกไปคิดไปใคร่ครวนแล้วก็แล้วก็ทำตามถือบทนั้นเป็นบท เป็นบทฝึกซ้อมเป็นการบ้านเป็นบทฝึกซ้อมเป็นแบบฝึกหัดฝึกหัดยังไงฝึกหัดขั้นไหนฝึกนัฝึกหัดมากเท่าไหร่ฝึกหัดจนได้ฝึกหัดจนเป็นนะั่นแหละไม่เป็นก็คือยังไม่เป็นนะ่ะทำให้ใจสงบทําให้ใจอยู่ทำเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ทําเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ไม่อยู่ก็คือไม่อยู่เราจะเอาอะไรไปเป็นเกณฑ์น่ะเราจะต้องเพิ่มความบุญสาวพยายามเพิ่มความความเพียร เพิ่มความความดสติที่ยึบจ่อต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายถ้าปล่อยเกิดช่องเมื่อไหร่นิสัยสันดานเก่าของกิเลส ท, ที่อยู่ในใจมันก็ะลักเข้ามาแล้วปล่อยย้อนยานห้มันเมื่อไหร่นิสัยเก่ามันถลักออกมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นเพเป็นจริตนิสัยของเราของท่านทุกๆคนมาแล้วอย่าลืมมาทุกคนเกิดขึ้นโดยอํานาจของกิเลสกิเลส เราชี้ชัดไปที่ไหนคําว่ากิเลสเราชี้ชัดไปที่ไหนคําว่ากิเลสต้นต่อสาเหตุให้เกิดกิเลสก็คือความอยากที่มันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็มีใจพระอรหันต์พระสาวกที่ท่านชําระหมดสิ้นไปแล้วท่านก็มีใจแล้วมันแตกต่างกันยังไงมันก็แตกต่างกันนั่นแหละเนื่องจากว่าไอสิ่งที่มันเป็น อุบายเป็นมายาเป็นกนเป็นอุบายเป็นมายาเขากิเล่นั่นแหละที่มันคอยแทรกแซงมาให้เราประสบความทุกข์อยู่เนืองเนืองก็คือเจ้าความอยากเราดูไปเจ้าความอยากปกติจิตสักที่ว่ารู้ ร, ร, รู้ที่ท่านชำระ จ, จนหมดจดแล้วเนี่ยท่างก็สักทวารู้แต่คำว่าสักทว่ารู้มันไม่ใช่รู้เหมือนต้นสาวเหมือนอะไรที่ยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้รอบหมดแล้ว รู้รอบหมดแล้ววางไว้รู้รอบหมดแล้ววางไว้รู้รอบหมดแล้ววางไว้แต่พวกเรารู้ยังไม่รอบพอรู้ประกอบยึดรู้ประกอบยึดรู้ประกอบยึดยึดเฉพาะสิ่งที่ชอบใจสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ผลักออกไปแต่ออกไปถีบออกไปอย่าลืมกฎของธรรมชาติอันนี้เรายึดเข้ามาเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนที่เรายึดเราผลักออกไปเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่เราผลักออกไปเหมือนร่างกายนี่เรายึดว่าเป็นเราว่าเป็นของของเรา เขาก็ไม่รู้เรื่องว่าเรายึดเ่าเป็นเราว่าเป็นของของเราเราไม่อยากให้มันแก่เราผลักความแก่ออกไปไม่อยากให้มันแก่มันก็คือมันนั่นแหละมันก็เท่าเดิมนะมันต้องแก่มันต้องเจ็บแล้วก็มันต้องตายอันนี้คืออันนี้คือภาวะที่เราผลักออกไปผลักไม่อยากให้แก่ได้ไหมไม่อยากให้เจ็บได้ไหมไม่อยากให้ตายได้ไหมผลักออกไปไม่ได้ เพทุกสิ่งทุกอย่างมีภาวะมีสภาวะตามมีตามเป็นของมันเราเอาผู้รู้ของเราไปกระเกียนอะไรไม่ได้ผู้รู้ของเรานี่สามารถเอามาต่อกรกับกิเลสเจ้าของได้อย่างเดียวเท่านั้นเอาไปต่อกรกับกิเลสของคนอื่นเขาไม่ได้เราไปต่อกันเขาสิข่าการแกงกันก็ตายไปคนเราฝั่งคนเราาคเท่านั้นแหละอตายไปคนละข้างเนี่ยก็ชนะได้ไหมก็ชนะไม่ได้ ชนะได้แต่ใจของตัวเองอแก้ไขได้เฉพาะใจของตัวเราเองปรับปรุงแก้ไขได้เฉพาะใจของเราเองคนอื่นเป็นประปัจจัยรู้จักประปัจจัยไหมประปัจจัยแปลว่าปัจจัยอื่นประแปลว่าอื่นปัจจัยอื่นคาอื่นหมายความว่ามันนอกเหนือไปจากจิตของเราเองเราตัดสินใจเอาก็ได้ไม่ตัดสินใจเอาก็ ไ, ได้ สอนมาหมดทั้งวีทั้งวันไม่เอาสักเม็ดเลยก็ได้ไม่เอาสักคําพูดเลยก็ได้ก็เพราะมันเป็นปัจจัยอื่นแต่ถ้าเราตั้งใจจะวิรัตตั้งใจจะงดจะเว้นตั้งใจจะเจตจำลองอย่างเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนขนาดไหนอันนี้เป็นอัตตปัตปจจัยของเราข้างในเป็นปัจจัยข้างหนโดยแท้เราสามารถก้าเกณฑ์ได้เฉพาะอันนี้เราสามารถแก้ได้เฉพาะกิเลสในใจของเรากิเลสคนอื่นแก้ไม่ได้ดอก คุณลองเอากิเลดคุณไปแก้เกลียดคนอื่นแก้ไม่ได้พระสาวกรู้ที่เจ้าท่านเป็นแต่เพียงสอนท่านเองจิตใจก็ น, น้อมตามคําสอนน้อมไปน้อมไปน้อมไปน้อมไปน้อมไปด้วยเหตุที่มันไปตามคลองของธรรมเนี่ยมันก็เข้าถึงกระแสธรรมได้แต่ถ้าจะเขาไม่น้อมไปไม่ได้อะไรเท่าเดิมเหมือนเดิมคนอื่นเขาทําบุญเต็มไปหมดตัวเองไม่น้อมใจรับเอาไม่น้อมใจเปิดใจรับเอาไม่ได้อะไรสักเม็ดเลย ไม่ได้อะไรสักอย่างคนอื่นเขาได้บุญจนเหลือหอบเหลือหิว้วเหลือแบกเหลือหามเจ้าของไม่ได้อะไรเลยเพราะเจ้าของไม่เปิดใจรับเอานี่ปัจจัยอื่นพระปัจจัยปัจจัยส่วนตัวอัตตาปัจจัยเราตั้งเกติจำนองที่จะเอาอยัางไงเราได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าอัตตาอัตโนนาโถมาตรงนี้มาตรงนี้เนีพราะแม่ช่วยเราอยู่ ช่วยอัตภาพร่างกายช่วยเลี้ยงช่วยดูช่วยอะไรตัอะไรแต่จะช่วยปรพยุ์ให้จิตของเราให้ให้ลูกของเรานิสัยดีดนิสัยฉลาดฉลาดไม่ดือ้อไม่เกเรไม่อะไรตัอะไรคิดยังไงก็คิดเจ้าจของคิดมันไม่ใช่เขาตัวเขาจะดีตัวเขาจะเกเรตัวเขาจะฉลาดตัวเขาจะโง่อยู่ที่กรรมของเขามันสมองของเขามันสมองกับกรรมมันก็มาด้วยกันนี่มันเรื่องกรรม กรรมกรรมของไข่ของเรามันเป็นเรื่องของกรรมจริงๆเราพูดถึงเรื่องกรรมแล้วเรานาะมาที่ตัวของเราที่กายเราสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามในโลกนี้แล้วก็ดีเกินโลกก็คือศีลก็คือธรรมสิ่งที่มีอยู่ในโลกก็เป็นอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้โลกจะพัฒนาไปกี่กลับกีกันก็พัฒนาไปอยู่อย่างนี้เพราะโลกพัฒนาไปบนกองกิเลส กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวัฏฏวนไม่จบกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมแล้วกลายเป็นวิบากถ้าเป็นวิบากละเอียดก็ไปเกิดสูงหน่อยถ้าเป็นวิบากหยาบเป็นวิบากที่จำจำชาลโมกก็ไปเกิดต่ำสับเปลี่ยนพบภูมิไปไม่มีจบไม่มีสิ้นนี่เป็นเรื่องของวัฏฏวนเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากนี่คือการพัฒนาไปของโลก เพราะฉะนั้นวัฏฏะสงสารของพวกเราจึงพัฒนาไปไม่มีจุดจบแต่อย่าลืมว่าวัฏฏะสงสารของใครก็ตามพัฒนาไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบกองทุกข์ของคนนั้นก็พัฒนาไปมากเท่านั้นผู้ไม่รู้สัจธรรมวัฏฏะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมจึงยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเพียงแต่เราตั้งใจรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างน้อย เข้าถึงกระแสธรรมคนคนนั้นก็จะทำภพชาติให้ยน่นย่อภพบชาติให้สั้นลงจากภพชาติไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลงมาจำกัดเลือแค่เจ็ดชาติพระโสดาบันออ่าพระโสดาบันมาเกิดอีกอย่างมากเจ็ดชาติไปเกิดอีกอย่างแป๊วที่สุดหนึ่งชาติสองสามชาติเอกับพีชีโกลังโก้ละ สตักขัตุประมะไม่เกินเจดชาติหมายความว่าจิตตรงนี้มันมีขอบเขตจํากัดของมันแล้วที่มันจะข้ามพ้นไปตักไปจากกระแสะของกิเลสของกรรมของวิบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดวัตตะวนวัตตะสงสารเหล่านี้เราต้องตักกิเลสเมื่อเราตักกิเลสได้แล้วกิริยาทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงสักจะว่าเป็นกิริยา ศักดิ์ว่าเป็นกิจยาเพราะการตัดกระแสของของกรรมนั้นเป็นการเอาจิตมาตัดกระแสของกรรมมาไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาจิตไปตัดกระแสของกรรมกรรมเก่าเหมือนอย่างพระโมคคัลลานะนะกระแสของกรรมเก่าทัาง ก, ก็ตามต้อนท่านไปเพราะได้ช่องก็ให้ผลเพราะได้ช่องเขาให้ผลตายเกิดตายเกิดตายห้าร้อยชาติก็ถูกเขาฆ่าทั้งห้าห้าร้อยชาติเพราะกรรมที่ที่ไปเคยฆ่าแม่ตัวเองไว้อีกพระโมคคลลานะแต่ในขณะเดียวกันท่านพัฒนา ในขณะจิตในปัจจุบันเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ยมันคนละสายกันนะสายของกรรมเก่าแล้วก็สายของกรรมใหม่ไม่ใช่กรรมเก่าแล้วเอาไปลบล้างกรรมใหม่เหมือนอย่างเราบลบกคุณหารแบบนั้นไม่ใช่กรรมเก่าค่อยจะให้ผลก็ให้ไปกรรมไหนที่มันหมดแรงถึงขั้นอโหสิกรรมก็หมดไปกรรมไหนที่ยังให้ผลไม่หมดก็ตามไปเพราะว่าผลิตผลวิบากกรรมของมันก็คืออัตภาพร่างกาย อัตลักร่างกายของไขรของไข่เป็นวิบากกรรมของกรรมเก่าทั้งนั้นเหมือนอย่างที่พวกเราได้มานี่บางคนก็ได้เป็นผู้ชายบางคนก็ได้เป็นผู้หญิงบางคนก็ฉลาดบางคนก็กลางๆบางคนก็อัดฉริยะจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เราสร้างสร้างสมอบรมขึ้นในหัวจิตหัว ใ, ใจของเรากระแสของกรรมเก่ากับกระแสของกรรมใหม่เพราะฉะนั้นกรรมใหม่ก็ไปตามพลังของกรรมใหม่ การที่เราตั้งใจภาวนาน่ยมันเป็นการทํากรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันทําลายความโง่ที่จะพึงเกิดขึ้นในจิตของเราในขณะปัจจุบันไอ้ความโง่เก่าๆที่เราสร้างเราผ่านมาแล้วเราย้อนไปยกเลิกอ่าเราย้อนไปยกเลิกเราย้อนไปล้างไปชะไปล้างกรรมเก่าละไม่ได้ล้างไม่ได้อันไหนเขาควรจะให้ผลเขาก็ตามมานี่แต่อาศัยว่ากรรมใหม่นี่แหละมันเป็นแรงกรรมที่ที่มีพลัง มันไปได้อย่างรวดเร็วบางทีกรรมหนักกรรมเก่าที่มันจะตามเพื่อที่จะมาสนองมันก็ตามไม่ทันเหมือนกับเนื้อที่มันมีกําลังมันพุ่งพุ่งพุสุนักไล่ไม่ทันสุนัขไล่ไม่ทันตราบใดที่เนื้อเหล่านั้นหมดแรงหมายความกุศลในปัจจุบันมันหมดแรงโดยเหตุที่เราไม่ค่อยเพิ่มพูนพอกุศลในปัจจุบันหมดแรงอากุศลที่มันตามมาหมดได้ช่วงมันงับกรรมให้ผลทันที ไม่ต่างอะไรกับสุนัขไหลเนื้อเพราะฉะนั้นเราเระลึกย้อนหลังถึงกรรมเก่าโอ้เราเคยกรรมหนักกับเรื่องนั้นกรรมหนักกับเรื่องนี้เราจะต้องสร้างกรรมใหม่ที่เป็นฝ่ายกุศลให้หนักมากกว่านั้นเหมือนกับหนีตายว่า ง, งั้นเถอะทั้งใจแบบเข็ดลาบจริงๆเหมือนกับหนีตายจริงๆกรรมเก่าก็ไม่สามารถจะตามทันเพราะเหมือนกับเนื้อที่มันมีพลังเหมือนกับพุ่ง กระแสของกระแสสองกระแสมันไปอย่ดีในชีวิตของคนของเราแต่ละคนมันจะไม่หมดกระแสของกรรมเก่ามัน้าไปกระแสของกรรมใหม่ที่เราสร้างเข้าไปเหมือนอย่างพระโมะคคัลลนะท่านมัดแค่ท่านตัตัดสินใจปึ้งเดียวไม่ถึงห้านาทีข่าแม่ตายให้ผลมาห้าร้อยชาติเกิดชาติไหนก็ถูกก็ฆ่าถูกก็ฆ่ารู้ค่ะทํ า, าทไมตัดสินใจแค่ปึ้งเดียวแค่นั้นทําไมให้ผลยืดยาวมากมายมหาศาลถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกันอหลรเหมือนอย่างเรา ไปกู้หนี้ยืมสินเขาจะมาทับถมตัวเองจนรื้อฟื้นไม่ได้ไปกู้หนี้เขามากในสุดไม่สามารถจะส่งต้นส่งดอกส่งลายตอนลายได้ล้มละลายลักษณะแบบนี้มันเป็นการที่ไปทำสิ่งที่ทำให้เกิดโทษมากมายมหาศาลพ่อแม่เป็นเหมือนพระรอรหันต์พ่อแม่เป็นเหมือนพระรอรหันต์เราเราไปดูอนันตริยกรรม ฆ่าปิดาฆ่ามันดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตท่อทำสองให้แตกกันนี่พุทธเท่านทร ง, งตรัสไว้เป็นอนันตริยกรรมกรรมนี้เป็นกรรมหนักไปทางอเวจีมหานรกเลีว้วไปเลยไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหวา่างเป็นอนันตริยกรรมนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายบุญสินใจแค่ปึ้งเดียวเช่นอย่างฆ่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าตัดสินใจแค่สมมติยังฆ่าปืนกน็ปึ้งเดียว ไมถึงวินาทีนไหมแค่กรรมถึงขั้นอนันตริยกรรมพระโมคคลลานะอนันตริยกรม ok ana, นนรมเพราะฆ่าแม่ตัวเองแค่ปึ่นเดียวแค่นั้นดูให้ผลมาห้าร้อยชาติก็ยังไม่จบอีกไหมแต่ในขณะเดียวกันพอท่านมาระลึกได้ระลึกได้แก๊กเดียวลงใจโปรงใจไม่ถึงห้านาทีไข้ครวญโอเราผิดแล้วเราต้องกลับตัวใหม่เราต้องตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่และพยายามเดินเส้นทางใหม่ไปให้เด็ดขาดจริงจัง แต่กรรมเก่าเราทําไปแล้วทํำยังไงได้มันทําไม่ได้เลยมันกลายเป็นมันกลายเป็นการสร้างเหตุเต็มร้อยเปอร์เซ็นแล้วผลมันจะต้องให้ผลเต็มร้อยของมันเพราะเราสร้างเหตุร้อยปร์เซ็แล้วผลมันจะจะต้องให้ผลเต็มร้อยเหมือนกันทีนี้ในเมื่อเราระลึกได้เราสร้างกรรมใหม่เราก็สะสมไปสะสมสะสมสมเหมือนเราตื่นจากความโง่ตื่นจากตื่นจากความหลงตื่นจากความเข็ดลาบความทุกความจนความอะไรต่อ ปากกัดตีนจีบทํางานไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพื่อแสวงหาทรัพย์เพื่อสังสมทรัพย์ทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันสังสมไปมากมากพระโมคคลลานะเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระอักขะสาวกเบื้องซ้ายด้วยเหตุที่มีกัลยาณมิตรพระโมคคลลานะเอ้ยว่าภาษาที่บวชเป็นกัลยาณมิตรเออเราปรารถนาเป็นเบื้องขวานะขอใเธอปรารถนาเป็นเบื้องซ้ายเนี่ยพวก น, นี้เป็นข้าบดีนายบ้านทั้งสองเป็นลูกของนายบ้าน ในสุกตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาและทําไงต้องเดินให้ถูกทางเอาทำบุญให้ทานเสียสละไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นการสร้างเสริม บ, บุญชาบารมีเข้าไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปในสุดบรารมีก็ตั้งก็เต็มพอมาชาติสุดท้ายมายชาติสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ได้พบได้เห็นได้ได้บวชได้มรุษธรรมภายในเวลาเท่าไหร่สิบห้าวันใช่ไหม หลังจากบวชแล้วได้มารู้เป็นพระอรหันต์ภายในสิบห้าวันพระมคคัลลานะเลิศในทางฤทธิ์ตอนเดียร์ถิมันจ้างขงโมยให้ไปฆ่านี่ไปวาระแรกท่านรู้ทั้งห อ, อกทั้งหน้าต่างก็ท่านมีฤทธินะ์น่ะไปวรระที่สองทั้งห อ, อกทั้งหน้าต่างพอมันไปวรระที่สามมาพิจารณาถึงกรรมโอ้มันกรรมของของมันน่ะมันตามเอาของเก่า ข, ของมัน อัตภาพร่างกายนี่คือผลิตผลของมันมันตามเอาวันนี้ท่านก็นรู้เออไม่นี้แหละตอนนี้เข้าฌานสมาบัติโจรมันก็นมาทุบมาตียนเกิดวัตตายเข้าฌานสมาบัติก่อนนะโจรถึงมาทุบมติตีไงก็ไม่ตายหรอกมันคิดว่าตายก็ลากไปทิ้งพอท่านได้ระยะเวลาที่ท่านตั้งกําหนดมาท่านก็ฟื้นขึ้นมาเยียวยานด้วยฌานสมาบัติก็เหมือนคนปกติธรรมดาแล้วไปลาพระพุทธเจ้าตาย การคราวของกรรมถึงถึงแล้วลาพระองค์ปรนิพันธ์ลาพระองค์มรราาพรรนาน ล, ลาพุทธเจ้าตายว่างั้นเถอะพุทธเจ้าให้แสดงฤทธิเดชให้น้อ ง, องๆได้ดูได้เห็นเป็นคติเป็นตัวอย่างแล้วแต่การแล้วแต่เวลาอันควรของเธอเถิดนท่านไม่เห็นเป็นเรื่องไม่เห็นเป็นเรื่องเสียดงเสียดายใครครเออเธออยู่คอนช่วยเผยแผ่ธรรมะเรากเ น, นีนะ้ไม่มี นี่เราเราดูความเที่ยงธรรมของผู้ที่ท่านมีธรรมท่านก็ผ่านไปแล้วความบรรลุเป็นผ้าหั่นของท่านคือจิตมันเป็นผู้บรรลุไม่ใช่กายเป็นผู้บรรลุแต่กายนี้เป็นวิบากเป็นเศษเดนกรรมเก่ากรรมมันก็ตามมาเอาเห็นไหมมันก็ทุกทุกทุกทุกมันก็ตามฐานเหตุนั้นแต่จิตของท่านไม่มีเพราะ ไม่มีอุปาทานเพราะทันละตันหาได้แล้วอุปาทานก็เป็นอันละในตัวพบละในตัวที่จะต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายไม่มีไม่มีภพชาติที่จะต้องไปเกิดไม่มีโอกาสที่เราจะต้องไปเกิดเพราะจิตเป็นหนึ่งเดียวแล้วไม่มีสองไม่เป็นสองจิตไม่เป็นสังขารขึ้นชื่อว่าสองสิ่ ง, ปงเป็นต้นไปทีป่เรียกว่าสังขารขื้นชื่อว่าสังขารเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงไปไม่มีที่จ บ, จบไม่มีจุดจบแต่ขึ้นชื่อว่าวิสังขาร แปลว่าสิ่งที่นอกเหนือไปจากสังขารจิตที่เป็นหนึ่งเดียวของท่าน่ะเป็นวิสังขารเนี่ยเป็นวิสังขารไม่มีสังขารเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ายังมีสังขารอยู่มันจะต้องหันมามีโรคมีนามมีเกิดมีเกยมีเจ็บมีตายแสวงหาอยู่ไม่จบไม่สิ้นยังมีพลังของตันหาอยู่แต่ท่านชําระตันหาคือความอยากซึ่งเป็นพลังในหัวใจหมดแล้วมันไม่มีพลังที่จะทําให้เกิด การยินดีเกิดการยินร้ายยินดีก็ยึดถือไม่ยินดีก็ยึดถือก็ยึดถือว่ามันไม่ดีกนะ็ผลักออกไปยินดีก็ยึดเข้ามาเพราะเห็นว่ามันดีเนี่ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเหน็นกส็สัพพทีเห็นได้ยินแต่รู้เข้าใจประโยชน์หมดอะไรคือสังขารร่างกายอะไรคือความต้องการอะไรคือหิวกระหายอะไรคือหนาวคือร้อนแต่จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความอยากไม่มีความยาอยากด้วยอำนาจของปัญหาแปลว่าความทยานอยากไม่มีหมดแล้ว หมดตัณหาคือหมดอุปาทานหมดอุปาทานก็คือหมดภพไปในขนาดเดียวกันหมดภพก็คือหมดชาติไม่มีภพที่จะต้องไปเกิดไม่มีชาติที่จะต้องไปโผล่ไปเกิดที่มุมทิศไม่มีวิบากกรรมที่จะเป็นเหตุแล้สร้างภพสร้างชาติมีความเป็นหนึ่งเดียวของท่านเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์และธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี้เสื่อมไปจากโลกหมดไปจากโลกไหมไม่หมดไปจากโลกยังอยู่ในโลกเราเนี่แหละ เราพอเรามาเกิดเราเอาธาตุเก่ามาเกิดร่างกายเราธาตุเก่ามาเกิดนะที่น้ํารองไฟธาตุเก่าเป็นของมีอยู่ดั้งเดิมเราไม่ได้เอาของใหม่ไหนของเก่ามาเกิดธาตุรูปธรรมน้ำมาทำคือจิตก็เช่นเดียวกันมันเป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุเก่าที่มีอยู่ในโลกมาเกิดแต่มาเกิดด้วยความพลนเพื่อน ล, ลืมหลงภาวะของตัวเอง กว่าจะมารู้ช่องรู้บายรู้วิธีชำระให้สะให้บริสุทธิ์ให้หมดจดเหลือเป็นหนึ่งเดียวพอถึงขั้นนี้แล้วพอถึงขั้นนี้แล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้ที่เป็นหนึ่งเดียวดำรงตนอยู่ตามภาวะนั้นๆตลอดอนันตการเป็นกิตที่บริสุทธิ์ภาวะนั้นคือภาวะที่ว่าประมังสุ ข, ขงังประมังสุ ข, ขงัง ที่ครูบาอาจารย์ครูที่อาจารยนสอนให้พวกเราเข้าไปนั่นคือบรมสุขอย่างยิ่งแต่ถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นยังถึงขั้นที่เราต้องทํามาหากินต้องอยู่ต้องกินต้องอิ่มต้องน้าสํารานต้องดีใจต้องเสียใจต้องอะไรสารพัดมันมีความสุขมีความทุกข์มีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์สุขสุขดิบดิบแต่ถึงขั้นนั้นแล้วสุขงอมถึงความสุขอย่างเต็มที่ไม่หมดไม่หมดไปไหนไม่สูญไปอย่างไหน จิตของพวกเราที่ยังเป็นผู้ดุจชนอยู่ก็ไม่หมดไปไหนไม่สูญไปจากไหนไปเกิดตามพบตามภูมิที่เราควรจะได้ตามอํานาจของกรรมแต่พระอาหารหันต์ท่านชานะบริสุทธิ์แล้วพระจิตที่บริสุทธิ์ของท่านก็ไม่หมดไปจากโลกยังมีอยู่ในโลกแต่ไม่มีสมมุติให้เราไปที่ปรากฏเราจึงไม่ไม่เห็นพระอนุรทท่านมีดวงตาที่เป็นทิพย์ท่านเห็นพระจิตของผู้ดุจเจ้า เข้าฌานที่หนึ่งออกจานฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเข้าฌานที่สามเข้าฌานที่สี่แล้วก็ถอยลงมาเข้าไปถึงอรูปฌานเข้าไปประทับที่สัญญาเวทที่ตัิโรธขึ้นกลับไปแล้วก็ถอยกลับมาแล้วเข้าฌานที่หนึ่งเข้าฌานที่สองเข้าฌานที่สามเข้าฌานที่สี่จะเห็นพระกิจที่บริสุทธิ์เฉพาะที่อยู่ในองค์ฌานเท่านั้นนะตอนระหว่างที่โดดข้ามมาไม่เห็นเพราะไม่ได้ผ่านสมมติหลวงตาท่านใช้คำว่าสมมติไม่ได้ผ่านสมมติ พอท่านออกจากฌานที่สี่อารูปฌานท่านก็ไม่เข้ารูปฌานท่านก็ไม่อยู่อารมูปฌานท่านก็ไม่เข้าพระอนุรูธธรมองไม่เห็นขน้าตาที่ไปจากสุดมองไม่เห็นมองไม่เห็นพระจิตที่บริสุทธิ์ในระหว่างที่โดดจากฌานนี้มาเข้าฌานนี้มาเข้าฌานนี้มาเข้าฌานนี้สิ่งนั้นมีอยู่หรือไม่ผู้รู้นั้นมีอยู่เพียงแต่ท่านออกจากรูปฌานไม่มาเข้ารูปฌาน เราก็มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีสมมติมาภาคภาคพิงมาพาดพิงพราะยังพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่เรากราบระลึกถึงบุญคุณของพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่เราทําแบบลมๆแรงๆให้ตั้งอกตั้งใจทํามีผลมีอันสง์ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่าเห็นเป็นของไม่สําคัญนะแค่เราทํามัดสวดมนต์อย่าเห็นเป็นของไม่สําคั ญ, นะคคญก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาระลึกถึงพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ ผู้รู้ที่บริสุทธิ์น่ยจะกล้องอยู่ในใจของเรากล้องอยู่ที่ใจของเราใครเห็นธรรมผู้นั้นผู้นั้นเห็นเราทําไมเราจะเห็นผู้รู้ที่บริสุทธิ์นั้นผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเราตั้งใจเจริญสมาธิเราตั้งใจเจริญปัญญาถึงขั้นไหนระดับไหนขั้นไหนเราจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้าเห็นหมดจดโดยชินเชิงพ้นทุกข์พ้นโทษในวัฏสงสารโดยชินเชิงเห็นพระพุทธเจ้าเต็มโองผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ผู้ใดเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมเนี่ยเรามาฟังข้อนี้แล้วเราบางคนก็อาศัยความไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะเจ้าของไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ปฏิเสธแบบเอาหัวชนชนฟ้าหัวชนเสาเอาของปั้นทุบดินนั่นแหละเพราะอาศัยความตีบตันในสติในปัญญาของตัวเองไม่รู้ไม่เข้าใจก็อาศัยปฏิเสธ แต่สิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่กึกก้องอยู่ให้เราตั้งอกตั้งใจทําเราตั้งใจทําเป็นการสร้างสร้างเสริมคุณงามความดีบุญบา ร, รมีให้กับชีวิตจิตใจของเราในความเป็นอยู่เราก็อยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขคนอื่นก็ทุกข์ก็ทุกข์ก็เดือดร้อนขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยเหตุที่เราดําเนินดําเนินรอยตามทานศีลภาวนาตามหลักของพระศาสนาเราจะมีความสุขมีความเิญในหวัวใจเราไม่ต้องดูที่ไหนดูความสุขที่หวัวใจของเราเพราะพระเจ้าท่านให้ความสําคัญที่ความสุขใจ ท่านไม่ได้ให้ความสําคัญที่ยศสูงสูงเกียรติสูงสูงทรัพย์สมบัติกองกี่ภูเขาก็ตามท่านไม่ให้เคยเห็นไม่ให้เห็นความสําคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นบางทีถูกต้องบางทีไม่ถูกต้องถ้าถูกต้องก็พอจะช่วยเสริมความสุขให้กับจิตใจเราได้ถ้าไม่ถูกต้องเป็นฟืนเป็นไฟเผาใจดวงนั้นเนีเพราะฉะนั้นผู้ที่จะสุขใจตามหลักที่แท้เทียงแท้มั่นคงจะต้องดําเนินตามศีลตามหลักของศีลของธรรม อันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดนะเรื่องการให้ทานเรื่งการรักษาศีลแต่ความสุขที่บริสุทธิ์ละเอียดมากไปขนานั้นคือจิตที่สงบนี่แหละที่เราพยายามแนะนํากันทําจิตให้ได้รับความสงบพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่อิงความดีใจไม่อิงความเสียใจไม่อิงอามิ t h ใดๆ อิงสติปัญญาดํำริพุทโธพุทโธพุทโธฉลกิเลสที่มันมาแย่จิตของเราให้วุ่นไปตามมันพอแย่ได้พอมันไม่แย่เราไม่ได้มันมายุ่แย่ภายในจิตของเราไม่ได้จิตของเราได้รับความสงบเป็นความสงบเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่เยือกเย็นจากนั้นเราพิจารณาเพื่อทําลายความหลงของตัวเองเราพิจารณาไปเรายิ่งตื่นตัวไปเรื่อยยิ่งตื่นตัวไปเรื่อยยิ่งตื่นตัวไปเรื่อยเกิดขึ้นจากจิตของเราดวงเดียวนี่แหละเราอยากไปดูถูกจิตของเรานะ อที่ว่าเราทําอะไรไม่ได้ทําอะไรไม่เป็นพัฒนาอะไรไม่ขึ้นอย่าไปคิดเรามีสติมีปัญญาเป็นพื้นพื้ น, นแบบสามัญชนชนทัน่วๆไปเราสามารถพัฒนาไปได้ฮเมือดอกบัวสีเหล่าก็าอยู่ในเราคนเดียวนี่แหละเราก็เริ่มพัฒนาไปตั้งแต่ปะทะประมานยะวิปจิตันญูอุคติตนยูเป็นบัวที่เริ่มจะโผล่จะคิดตมพิโคลนเป็นบัวที่บัวที่โผล่ขึ้นมากลางน้ําเป็นบัวที่โผล่ขึ้นมาเสมอน้ํา เป็นบัวที่โผล่ขึ้นไปเพื่อที่จะรับแสงอาทิตย์เพื่อที่จะบานหมายถึงภูมิปัญญาภายในจิตของคนเรามันก็พัฒนามาจากไอ้ําๆนี่แหละสูงขึ้นมาเรื่อยสูงขึ้นมาเรื่อยสูงขึ้นมาเรื่อยโลวตาท่านเทศแบบนี้ทําให้พวกเราเอามาพิจารณาแล้วได้ประโยชน์ทําให้พวกเราไม่เสียโอกาสเอ้ยเราเป็นปะทะประมะแล้วพัฒนาอะไรก็ไม่ขึ้นพัฒนาอะไรก็ไม่ขึ้นไอ้ผู้ที่รู้ว่าพัฒนาไม่ขึ้นเขาก็ายังสามารถพูดได้คือจิตคือผู้รู้นี่แหละ ก็คือเราว่าเอาเองนอกจากพิบาตกรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุดเป็นคนเงื้เงือเงะงะบ้าบ้าบอๆได้สติวิปลาสฟั่นเฟือนแบบโอ้ชีวิตทั้งชีวิตนี้ก็สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆนีอันนี้ก็คือกรรมหนักมันทับถมเขาอยู่รู้รู้เป็นเป็นรู้เห็นแบบแบบที่เราเป็นเป็นการอยู่นี้อาศัยทําให้มากเจริญให้มากขยับไปได้พัฒนาไปได้จาก ทัธปรมะเป็นเนยยะเป็นวิปจิตัยนยู่เป็นอุกดิตันยู่ไหนสุดเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้ก็เหมือนพวกเราพัฒ น, นามาตั้งแต่นู้นก่ อ, อนอนุบาลเราก็ยังไม่รู้อะไรพัฒ น, นามาเรื่อยมาเรื่อยหลักวิชาความรู้ชั้นเป็นปฐม <c oughs> เป็นมัธยมเป็นอุดมมาเรื่อยในที่สุดเราก็จบขั้นไในขั้นหนึ่งอืมก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยพัฒ น, นามาเรื่อยพัฒ น, นามาเรื่อยเพราะจิตมนุษย์เป็นจิตที่พัฒนาได้ ทำให้เจริญที่สุดสามารถเจริญได้ทำให้ต่ำแล้วที่สุดตกเอเวจีมาหานรกสามารถทำได้พวกเราได้ยินได้ฟังและเอาไปเป็นข้อประพฤติปฏิบัติโดยเหตุที่เราเสียสละเวลามาหนึ่งวันสองวันนะัว่าเป็นการให้โอกาสให้กับตัวเองมาประสบพบเห็นมาได้ยินได้ฟังได้อัดได้ได้ข้ออัดข้อทำได้ข้อคิดเห็นเพื่อที่จะไปปรับไปเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเอง บางคนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้อาศัยวัดวา่าครูบาอาจารย์องนั้นองนั้นองนั้นเป็นไปจักพยานเอ้ยเราต้องเอาให้ได้เราต้องเลือกให้ได้เราต้องเลิกให้ได้ อ, ไดอืมมีคนคนหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นก็ อ, อา่าโอ้โหของดีหนทางแห่งความดีทางดีทางเลยจำประส ต, รต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้อ่า ออกเลยแหละลาออกเลยลาออกจากราชการมาบวชเป็นพระมีอัจฉริยธรรมเป็นครูบาอาจารย์อยู่จนทุกวันเนี่ยเราดูดีนี่คือคนฉลาดคนมีปัญญาโอ้โดีต้องเอาต้องเอาต้องเอาถ้าเจ้าก็ต้องรีบเอาถ้าไม่รีบเอาเดี๋ยวความไม่ดีมันจะดึงไปถ้าตั้งใจจะทําดีให้ให้ทําดีตั้งใจทําดีตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้ทําต่อเนื่องไปไม่หยุดไม่หย่อน แต่ถ้าเราปล่อยเวลาลงเลยไปทีไรเมื่อไรเดี๋ยวกี่เล่มันดึกไปเคยสนุกเคยเล่นเคยสะดวกเคยสบายเคยอิสระเสรีอะไรก็ช่างมันตายก็ช่างมันติดยาบ้าตายช่างมันตายอย่างติดเหล้าตายช่างมันตายช่างตายจริงๆหลยคนอยู่บ้านเนี่ยเฮ้ยตายช่างมันทำไมตายช่างมันคอยได้กินคอยได้กินนั่นติดช่างมันติดช่างมันคอยได้เสพยาบ้าในที่สุดอะตายทั้งเป็น ขออนุโมทนาอุทัยพรกับพวกเราเป็นชมรมพุทธศาสัญจรนักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสียสละเวลาเวลาหาโอกาสให้กับตัวเองมากราบไหว้ครูบาอาจารย์ฟังอัดฟังธรรมหนึ่งวัดสองวัดสามวัดสี่วัดคิดว่าได้ความรู้ได้ประสบการณ์ได้ข้อเตือนจิตสกิตใจเอาไปเป็นเครื่องําเนินประพฤติปิ ปฏิบัติทําพฤติกรรมร้ายเป็นไปโดยอดโดยธํามเพื่อความสุขเพื่อความเจริญจากนั้นแล้วมีความตั้งอกตั้งใจพัฒนาชีวิตไปถึงที่สุดมันมีหนหนทางมันมีช่องทางที่เราสามารถจะพัฒนาชีวิตไปให้ถึงที่สุดจบพจนจบจบพจนพบจบชาติในอัตภาพนี้ได้เหมือนอย่างที่เรารู้เห็นครูบาอาจารย์ทั่ๆไปนะเอาตอนนี้เอาจบแค่นี้เสแล้วพวกเราลงไปก็รับทานเสร็จก็กลับได้เลย อ่าอาอ่อามาอ่าเนี่นเนีนเนียให้รางวัลไปผู้หญิงถาดหนึ่งผู้ชายถาดหนึ่งเอาไปนี่หลวงพ่อจัดให้เองนะเ<ม>สร็จแล้วมีอะไรบุฟเฟตอยู่ที่นน่นก็ไปนะเอะเอาไปนะนี่ั น, นี่เอาไปเ อ, ปเอรับทานเสร็จแล้วได้เวลาก็พากันกลับเลยเอ่ เอาไปเอาไหนของผู้หญิงเาไปเอาไปเยาไปเยาไปอ่าไปไปบุฟเป่ไปรับทานบุฟเฟ่อ่าไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไปไปเปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไไไ ก็จะทำจอเรื่ออะไร